ความต้องการอาหารสำหรับที่จะชดเชยสืบเรื่องนี้อย่างละเอียดก็เห็นได้เห็นลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกต้องให้ใจเข้าต้องให้ใจออกกันอยู่ทุกขณะหยุดไม่ได้อันแสดงว่า ต้องการใช้ลมเข้าไปชดเชยส่วนที่ดับไปหมดไปหยุดให้ายสักครู่หนึ่งชีวิตก็จะต้องดับต่อไม่ติดอันนี้แสดงว่าเกิดดับเกิดดับมีอยู่ในปัจจุบันและดับนั้นก็คือมรณะความตาย แต่อาศัยมีสันติคือความสืบต่อดังกล่าวให้ใจเข้ามีให้ใจออกออกแล้วก็เข้าเมื่อใดสันติคือความสืบต่อนี้หยุดเห็นให้ใจเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าดับอัศาสาปัสาสะความตายที่เรียกมรณะในที่สุดก็ปรากฏ ความตายในระหว่างระหว่างที่ยังมีสันติสืบต่อเป็นความตายที่ไม่ปรากฏแต่ความตายที่ปรากฏก็คือความตายในที่สุดที่สิ้นความสืบต่อดังที่กล่าวนั้นแต่ตามพระเถรราธิบายก็เริ่มตั้งแต่ว่าจุติความเคลื่อนความแตกสลาย ความอันตรฐานหายไปก็เป็นถ้อยคำที่คลุมได้ทั้งสองอย่างตั้งต้นในคำมรุทธิคือความเคลื่อนชีวิตนี่ก็เคลื่อนไปสู่ความดับเรื่อยๆไปทุกขณะแล้วตั้งแต่ดับที่ยังมีสัน ต, ติ ต่อจนถึงดับที่สิ้นสันติอันเป็นความตายในที่สุดแต่ว่าสำหรับภูที่ป่อนส ต, ติปัญญาก็ยังมองไม่เห็นชัดจึงต้องจี้ลงไปว่าตายที่ปกปิดหรือตายที่ไม่ปกปิดเพื่อสกิดใจให้พิจารณาให้เห็นชัด อันว่าชราและมรณะนี้มีอยู่ตั้งแต่ในปัจจุบันตั้งแต่ชาติคือความเกิดหัดพิจารณาให้รู้จักชราให้รู้จักมรณะที่มีอยู่ในตนเองทุกๆคนมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้น หัดให้รู้จักว่าสมุทยัยของชารามรณะก็คือชาติความเกิดเพราะมีชาติคือความเกิดเป็นเบื้องตน้นจึงมีชารามรณะถ้าไม่มีชาติคือความเกิดชารามรณะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นดับชาติเสียได้จึงเป็นอันว่าดับชารามรณะและทางปฏิบัตินั่นก็คือมรรคมีองค์แปด เพื่อให้ถึงความดับชรามรระคือดับชาติความเกิดต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 สัมมาทิฏฐิต่อไปอีกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักชาติความเกิด รู้จักชาติสมุทัยเหตุเกิดแห่งชาติรู้จักชาตินิโรธความดับแห่งชาติรู้จักชาตินิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งชาติรู้จักดังนี้เป็นส ม, มาทิทิความเห็นชอบอุชุตทิทิความเห็นตรง นำให้ได้ความเลื่อมใสในวันไม่วันไหวในพระธรรมนำมาสู่สัธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ดังนี้ก็เป็นอันว่า พันระษาริบรได้อธิบายส ม, มารธิคือความเห็นชอบคืบขึ้นไปอีกช่วงหนึ่ง หรืออีกลูกโซ่หนึ่งหรืออีกเปลาะหนึ่งและท่านได้แสดงอธิบายถึงชาติคือความเกิดว่าก็ได้แก่ชาติสัญชาติ ความก้าวลงความบังเกิดความบังเกิดยิ่งความปรากฏแห่งขันทั้งหลายความได้เฉพาะ อ, อาญตะะทั้งหลาย รู้จักชาติก็คือรู้จักดังนี้รู้จักชาติสมุทัยเหตุเกิดแห่งชาติก็คือรู้จักว่าความเกิดแห่งชาติ ก็คือรู้จักว่าเหตุเกิดแห่งชาติหรือความเกิดแห่งชาติก็มีเพราะความเกิดแห่งภพคือเพราะภพเกิดชาติก็เกิด รู้จักดังนี้เป็นความรู้จักเหตุเกิดแห่งชาติรู้จักชาตินิโรธความดับชาติก็คือรู้จักว่าความดับแห่งชาติ ย่อมมีเพราะความดับแห่งพบก็คือว่าเพราะพบดับชาติก็ดับรู้ดังนี้เป็นความรู้จักชาตินิโรธความดับแห่งชาติรู้จกักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติ ก็คือรู้จักว่ามักมีองค์แปดมีสมมาธิฏฐิเป็นต้นเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติต่อไปนี้จะได้แสดงอธิบายไปตามสมควร อันชาติคือความเกิดนี้ที่ได้มีพระพุท ธ, ธาธิบายและมีพระเทราธิบายตามว่าในแก่ชาติสัญชาติความก้าวลง และใช้คำอื่นๆก็มีความหมายถึงชาติคือความเกิดตามที่ได้เข้าใจกันและได้พูดถึงกัน อนชาติคือความเกิดนี้สำหรับมนุษยชาติหรือว่าสัตว์ที่เกิดอาศัยคันมันดาทั้งปวงยอม เรียกว่าชาติคือความเกิดตั้งแต่ก่อกําเนิดขึ้นในคันของมารดาอันความก่อกําเนิดขึ้นในคันของมารดานี้ ได้มีพระพุทธภาสิทธิ์แสดงอธิบายไว้ว่าอาศัยองค์ประกอบสามประการคือหนึ่งมันดาบิดาอยู่ด้วยกัน สองมารดามีคันสองมารดามีรดูสามคันทพะหรือที่เรียกกันว่าคนทันหมายถึงสัตว์ที่จะ มาถือกำเนิดหรือหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏขึ้นเมื่อประกอบด้ดยองค์สามประการนี้ขันก็ตั้งขึ้น หรือเรียกตามคำแปลตามศัพท์ภาษาบาลีว่าความก้าวลงแห่งคันก็ย่อมมีการคำว่าคันนี้ก็หมายถึง มาบังเกิดในท้องของแม่ที่เรียกว่าตั้งคันก็คือความก้าวลงของคัน กลาวลงของสัตว์ที่จะมามังเกิดในขันก็ย่อมมีขึ้นและก็เรียกว่าเป็นปฐมมจิตปฐมวิญญาณตั้งแต่นั้นและอาศัย ความเติบโตขึ้นมาโดยลำดับจนถึงครบถ้วนเก้าเดือนสิบเดือนก็คลอดออกจากคันของมันดา าตคือความเกิดนั้นก็นับตั้งแต่คันทัพพระหรือคนทันหรือปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏก่อขึ้น เป็นปฐมมจิตปฐมวิญญาณแต่ตามที่นับกันคือนับอายุก็มักจะนับตั้งแต่เมื่อได้คลอดออกมาจากคันของมารดาแล้ว จึงจะเรียกว่าเกิดและก็นับอายุกันมาตั้งแต่นั้นในพระบาลีอีกแห่งหนึ่งได้มีแสดงไว้ว่า เมื่อธาตุทั้งหกมาประชุมกันคันจึงตั้งขึ้นหรือก้าวลงที่เรียกว่าตั้งคันธาตุทั้งหกนั้น ก็ได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาธาตุลมอากาศสถาวะธาตุอากาศคือช่องว่างวิญญาณธาตุธาตุรู้หรือธาตุวิญญาณ เมื่อถาดทั้งหกนี้มาประชุมกันคันก็ตั้งขึ้นหรือความก้าวลงของคันก็มีขึ้นและเมื่อคันตั้งขึ้น นำ ม, มารวก็ไม่ขึ้นตามประพุทธภาษิต ท, ที่ตัดไว้ในทีน่นี้ว่าเมื่อถัดทั้งหกประชุมกันเมื่อถาดทั้งหกประชุมกันคันก็ตั้งขึ้นถาดทั้งหกนั่น ธาตุทั้งหครข้างตน้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้เป็นธาตุที่เป็นฝ่ายวัตถุเป็นฝ่ายรูป ทธาตุที่หกคือวิญญาณธาตุนั้นเป็นธาตุรูและธาตุที่หกนี่คือวิญญาณธาตุก็ตรงกับที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณรวมความก็คือ เมื่อส่วนที่เป็นรูปคือธาตุห้าข้างต้นกับปฏิสนธิวิญญาณมาประชุมกันคันก็ตั้งขึ้นมานับเป็นปฐมมจิตปฐมมวิญญาณดังที่กล่าว ธาตคือความเกิดนี้ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้นหรือหลังจากที่พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเชื่อถือกัน ว่ามีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกอย่างหนึ่งเกิดมาแล้ว ดำรงอยู่เป็นนิรันดรไม่ตายและคนเป็นอันมากรืเรียกว่าทั้งโลก เมื่อเกิดมาก็ไม่ปรารถนาที่จะแก่จะเจ็บจะตายต้องการดำรงอยู่แม้ว่ารู้ว่าดำรงอยู่ไม่ได้ ก็ต้องการให้อายุยืนนานจึงพากันแสวงหาวิธีหรือยุกยาที่จะทำให้อายุยืนนานที่เรียกว่าอายุวัฒนะ และแม้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์รู้อยู่ว่าจะต้องตายก็ปราถนาที่จะไปเกิดในภพชาติที่ไม่ตาย เห็นไม่เกิดเป็นเทพที่เชื่อว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นยังได้เรียกเทพว่าอมอนที่แปลว่าภูไม่ตาย แม่ศาสดาทั้งหลายผู้สอนสาศาสนานั่นๆก็สอนกันว่ามีสวงสวรรค์อันเป็นที่สถิตของเทพที่เป็นอมรคือไม่ตายนี้ และก็อสอนให้นับถือปฏิบัติเพื่อที่จะไปเกิดในภูมิชั้นของเทพที่ไม่ตายไปเป็นอมรคือเป็นภูที่ไม่ตาย คือไปเกิดแล้วก็ไม่ตายและแม้เป็นมนุษย์นี้เองก็ยังมีลัทธิที่เชื่อถือว่าเมื่อไปปฏิบัติในวิธีพิเศษ ตามลัทธิที่สั่งสอนนั้นก็จะสำเร็จทั้งที่เป็นกายมนุษย์นี้เป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปไม่ตายเห็นไปสำเร็จเป็นเซียนต่างๆ พระพุทธเจ้าเองเมื่อโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงเป็นสิทธัตถะราชกุมารเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะ ก็ได้ทรงพิจารณาเข้ามาเห็นว่าแม่พระองค์เองจะทรงดำรงอยู่ในโลกนี้ในฐานะใดๆก็ตาม แม้ในฐานะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงได้ทรงปรารถนาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นพ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย โดยทรงพิจารณาเทียบเคียงว่าเมื่อมีแก่มีเจ็บมีตายก็จะต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนอย่างเมื่อมีกลางวันก็มีกลางคืนมีกลางคืนก็มีกลางวันเป็นคู่กันจึงได้เสด็จออกพนุ ทร ง, สงแสวงหาโมกะกธรรม